ชาสมุทิยกรถ า, าเจ้าทายาจโจชาวบานตาเต็นทองที่มาทาบนวันนี้เป็นวันปละแลมสิบสี่ข้ามเดือนเก้าเระหวังจันทกติสุริยกติไม่ตรงก่อนแต่เป็นวันที่ส4สี่เดือนกัญญาแล้ว แต่เรียนก้าบเึงจะสิ้นไปวันนี้เพราะว่าปีนี้เป็นแปดสองโหนก็ชาวบ้านเราก็มาทำบุญเพราะว่าทำบุญก็ทำความดีที่มันเกิดความดีขึ้นมาเพราะใจมันดีคนใจดีก็แสดงออกทั้งความดีพู ด, ดีคิดดีทำดี ถ้าคนใจชั่วก็พูดชั่วทำชั่วผิด ช, ชั่วบ้านใจดีคือบุญก็ให้ไปสู่สวรรค์นิพพานได้คนใจไม่ดีไปชั่วบ่อยไปสั่าวานรกทำดีไม่ได้กานสำคัญอยู่ที่จิตใจระวังจิตใจให้ดีๆแลกษาใจให้ดีๆ เพื่อจะได้เป็นประโยชน์เฉอใจใจไม่เป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จจุดที่ใจจะไปนั่โลกก็ที่ใจจะไปสวรรค์ก็ที่ใจ้วจะไปนี่พานก็คือใจวันนี้เราจะมาทาใจกันให้มีกะเสให้ใจจุ่มอบุญให้ใจดีดี มีผลใจดีมีข้าวอาหารเดินทางมาไกลสองขโมจากบ้านมาสู่วัดนี้่าติโยกับาสมหานฉินแต่ทีฮะจะว่าวันนี้อาจจะคิดถึงทานของตนคิดถึงศีลของตนเพราะฉะนั้นใจเป็นเป็นใหญ่จะเป็นหัวหน้า ที่รักษาใจก็มีสติก่อนพูดก่อนทำก่อนคิดไม่เกิดบลเกิดกุศลขึ้นมาและมีใจเพื่อไปสู่สวรรค์นิพพานไม่ใช่มีใจเพื่อไปสู่อบายไปสูน่นรกอันนี้จะงเป็นใหญ่ใจของยาดยอมดีแล้วก็มีผลใ้เรื่องในเนื้อจะคนใจดีในชีวิต จากคนใจดีถ้าคนใจไม่ดีเราก็มีอาหารฉานชินไม่มีที่หัวสอยใจของโดนดีพวกเราก็อยู่ได้ล้วก็มีชีวิตเพื่อทำความดีให้ดีต่อไปอีกจากท่านที่ให้น้ำใจแล้วก็มีความเห็นคุณค่าของคนใจดีก็ทำความดีต่อไป สะพานหนึ่งความใจดีของคนก็หนึ่งปล่อยอีกตคนหนึ่งก็สู่ความดีอีกมากมายหลายอยองวันนี้ก็ถือว่าในอสองหลายอยองตอนมีคนอยากจะฟังเรื่องไปประเทศภูฐานลุงตาไปประเทศภูฐานกบมาได้สามสี่วันในสามวันสี่วันเนึ่ยประเทศภูฐานกับบ้านเราใกล้ใกเคียงกัน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 นี่เธอผูขาหิมะลายแต่ความเป็นอยู่ยากลำบากของพวกเราแต่คนเขาก็เช่นแช็งประเทศน้อยประเทศเขาเ น, เเาเน่เท่ากับจังหวัดชัยภูมินี่บนลเมืองเกตแสนคนแปดแสนคนเราอยู่กันด้วยความสงบป่อมเย็นพระมหากระชาทของเขากับ สังฆราชอยู่ด้วยกันนั่งสมาธิด้วยกันพระมหากษัตริย์นั่งภาวนาอยู่นี่พระสังฆราชนั่งอยู่นี่อยู่ที่เดียวกันแล้วเขาจึงเป็นประเทศที่มีความยิ้มแย้มแี่มสายคนมีแต่คนหน้ายิ้มยิ้มไม่ว่าเด็กและผู้ใหญ่มีความยิ้มแย้มแี่มสายสงบร่มเย็น ตำรวจไม่ถืออาวุธอยู่กับเพื่อนกับชาวบ้านการคำนองของของเขานี่เราบากเราเดินขึ้นเขาก็าฉี่มากแต่ก่อนไม่มีรถไม่หลาเขาฉี่มากที่วันก็ยังใช่มากใช่หลากันอยู่ลากขนของเอาใส่หลังหลาปนีนขึ้นเขาขึ้นไป จะสร้างบ้านก็ใส่หลังหลาขึ้นไปเป็นเขาขึ้นไปเตปูนใส่ไม้เป็นเขาให้หลาขึ้นให้หลาแบกขึ้นให้ลามันก็เชื่องเวลาของขึ้นหลังหลังเดินขึ้นเขาปเปลงไปถึงที่หมายก็ยืนต้นหนึ่งก็เวลาสี่ตัวห้าตัวจะพานะตำ ผลของกเกษตรลงมามีผลไม้มีแอปเปิลมีแตงมีเลยรบนภูเขาของเขารสชาติดีหลวงตาเอาพริกมามาเพาะก็จะเอาพริกภูเขามาปลูกพริกครูเขาบ้านเราให้มันอาจจะแถ้าพริกปลูกพริกได้ก็จะมีเศรษฐกิจที่ดีต่อไปอีก เพรานให้ลักบ้านลักเมืองเรานี่แหละดีที่สุดไม่ใช่เราอยู่ลาดลำบากเขาลําบากกว่าเรานี่อยู่บนหลังเขาเขายังอยู่ได้เรานี่อยู่นี่ก็สะดวกกว่าเข า, ขาอยู่แล้วรถหลาก็มีเดินไปไหนมาไหนก็ยังได้ด้วยตัวเป๋แต่ถ้าขอลุงปีนเขาขึ้นไปแต่ว่าขนเขาแข็งแรงมากตั้งเด็กตั้ผู้ใหญ่เด็กน้อย จงมา้าให้ลุงตอดขี่ขึ้นเขามันก็วิ่งเหมือนม้าเลยตึกตึก๊กขึ้นเลย <g ül üyor> ม้าวิ่งมันก็วิ่งเวลาขึ้นเขาบางทีมันเดินไม่ได้มากกระโดดตุเด็กน้อยก็ ก, กระโดดขึ้นไปเรื่อยตัวท่าทางเราใช้เงินมาเด็กร้อยบาทสงสารนั่นนั่นบ้านเราดีที่สุดแล้วนะไอลักบ้านลักเมืองเรานี่แหละลักประเทศลักธรรมชาติ มีวัดวาอารามบ้มานเมืองเขาก็มีวัดวาอาามมีศาสนาถึงชีวิตของเขาเป็นคนพุทธศาสนาร้อยเปอร์เซนไม่ค่อยเห็นใครกินเล้ามอยาเยี่ยมเยี่ยมใใเป็นมาลัยกันได้ญาจาโยอุธนาได้ต่อไปก็ถวจน้ำรับพร